อะไรกลืนกินสัตว์ทั้งหลายเวลาเลานี่ยเกลืนกินเราทั้งหลายเราจะนั่งเผลอแพ้หนึ่งนาฬิกามันนาฬิกานี่มันเป็นนิมิตของการเปลี่ยนแปลงของเวลาเท่านั้นเองนะเวลามันก็ล่วงไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเวันคืนล่วงไปล่วงไปอยู่อย่างนี้ตลอดมันกลืนกินสัพสัตวทั้งหลายแต่พระอรหันตขีนาศท่านเป็นผู้กลืนกินการเวลาเรียบร้อยแล้วนะเพราะฉะนั้น ท่านกลืนกินการเวลาแล้วอะไรที่จะเป็นประโยชน์เป็นสาระกุศลจิตอะไรที่จะเกิดขึ้นได้บ้างก็เรียบบำเพ็ญเธอนั่นแหละก็บอกว่าถ้าเราอยู่ในห้วงน้ำใหญ่ๆนะฟางเส้นเดียวนี้ก็ช่วยพยุงเราได้เหมือนกันนะมาให้มันจมน้อยหน่อยอ่ะนี่ก็เหมือนกันกุศลจิตเหมือนกันเราบอกว่ากุศล ส, ส่วนไหนที่เราสามารถบาเพ็ญได้ง่ายบ้างชีวิตของเรา กุศลในชั้นสมถาวิปัสสนานั้นเป็นกุศลที่เดี๋ยวมาฟังดูวันนี้อีกครั้งหนึ่งเรื่องกรรมนี้เป็นเรื่องใหญ่เลยนะใครไม่ทํากรรมบ้างค๊านะนี่เามาพูดยังทากรรมอยู่เลยเ น, น, นี่ยขณะนี้ขณะนี้มีเจตนาถ้ามีเจตนาที่กล่าวออกมาก็เป็นวจีกรรมวจีกรรมเหล่านี้มีผลไหม เจตนาที่ทำให้เกิดการพูดนี้มีผลไหมมีมีผลอย่างไรมีผลยังไงให้ผลเมื่อไรใช่ไหมอันนะตามสูตรเลยตามสูตรก่อนหนึ่งในคำพูดหนึ่งคํป๊บเนี่ยชาวนะใช่ไหมทำให้เกิดหนึ่งคพูดเนี่ยในแต่ละคําที่พูดออกไปเนี่ยดวงชาวนะดวงที่หนึ่งชาตินี้ถ้าพูดเป็นบุญนะโอ้ก่แก่ๆไปเนี่ยสบายแน่ ใช่ไหมกุศลนิบาศเพราะขณะนี้เจตนาเป็นคมนวณนะผูู ด, ด้วยกุศลเจตนานะชาวนะดวงที่หนึ่งให้ผลเป็นสุขแต่เป็นทิฏฐธรรมแปลตรงๆวา่าให้ผลในชาตินี้ดวงที่เจ็ดให้ผลในชาติน่ะโห้แทกกลับมา น, นี้ให้ผลเนี่ยไปดีแนะน่เป็นเป็นไปสุขคติอย่างกระจกที่สุดกลับมาเป็นมนุษย์คืนนะต่อไปดวงที่สองถึงดวงที่หกเป็น อปราปริยะเวทนียกรรมให้ผลในชาติที่ที่สามเป็นต้นไปนะเป็นอโหสิได้ไหมกรรมอันนี้เป็นอโหสิกรรมไหมไถ้าเป็นพระอรหันต์ปรินิพานจึงจะเป็นอโหสิกรรมรแล้ววันหนึ่งเนี่ยพูดอย่างนี้กี่คำพูดเยอะไหมแล้วสะสมชาวนะเท่าไหร่อันนี้ อ่าไม่ได้อ่าทีนี้ต้องมาดูสะสมมากๆเนี่ยคำพูดแต่ละคำแต่ละคำแต่ละคำที่พูดออกไปเนี่ยเป็นชาวนานะเจตนาที่ทำให้เกิดคำพูดเนี่ยเป็นชาวนะเพราะว่าทวิปัญจากไม่พูดใช่ไหมไม่พูดสัมปติชนะก็ไม่พูดสันติรนะก็ไม่พูดผวังก็ไม่พูดชาวนะเท่านั้นแหละพูดชาวนะที่ทำให้พูดของเรามียี่สิบประเภท แต่นี้เราเอาเฉพาะอุศนก่อนนะอกุสลละไว้ในฐานที่เข้าใจกันที่พูดเนี่ยทีนี้เรามาดูว่าในชาวนะเนี่ยแบ่งการให้ผลกรรมไปอย่างนั้นแล้วต่อไปอีกว่ากรรมนี้เป็นคาุกรรมไหมเป็นไหมหนักไหมไม่หนักนะไม่เป็นคาุกรรมเพราะว่าขณะพูดชาณจิตไม่เกิดนะไม่ใช่ชาณจิตฉะนั้นไม่ใช่คาุกรรม ฝ่ายดีก็ไม่ใช่คารุกรรมฝ่ายชั่วเพราะไม่ได้พูดสั่งให้เข้าไปฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่ า, า, าพออาระอรหันต์ไม่มีพูดทําให้สังกเทศแตกแยกกันไม่มีนะผูดทําให้คนไปทําให้พระโลหิตพ่อก็ไม่มีเพราะฉะนั้นกรรมอันนี้จึงไม่เป็นคารุกรรมอ่าแล้วมาพูดอย่างนี้บ่อยไหมบ่อยพอสมควรนะปีนี้มาพูดตรงนี้หลายชั่วโมงแล้วนะอย่างหลายเดือนแล้วเมื่อเช้าไปนั่งนับพฤ่สภามิถุนา อ่ะเพื่อสภามิถุนากรกกระดากันยาเซิงหากันยาโอ้โ ห, โหหลายเดือนนั่นนีเนี่ยนะยาวที่สุดเท่าที่เคยทํามา่นเ น, น, นั่นเโอ้โเป็นอาจินกรรมนะเนี่ยโอ้โตั้งนานละนี่เพราะฉะนั้ น, น, น อ, อันนี้เป็นอาจินกรรมใช่ไหยออาจินกรรมเสร็จแล้วทีนี้เราก็มาพูดช่วงจังหวะใกล้ตาย ว่ากรรมที่จะให้ผลนั้นก็ครุกรรมมีหรือเปล่าถ้าครุกรรมไม่มีเป็นอะไรก็จะเป็นอาสันกรรมอาสันกรรมเนี่ยใกล้าตายทำอะไรอยู่พูดยากเนาะอีกนานเกินกว่าจะตายแต่ถ้าตายตอนนี้ไปดีแน่เพราะขณะนี้ทำกุศลอยู่ใช่ไหมถ้าอาสัรนกรรมตรงนี้นะกรรมที่กำลังพูดนี่แหละให้ผลนำเกิดแต่แล้วถ้ากรรมอาสันนกรรมไม่มี อาจินกรรมจะให้ผลกรรมที่ทำเป็นปกติอัธยาศัยคล้ายๆกบว่าใครพูดคาไหนมากที่สุดคานั้นจะให้ผลก่อนคล้ายๆแบบนี้นะสมมติสมมติ น, น, นใครไปมีวจีกรรมกายกรรมอะไรมากๆอะ่ะอันนั้นจะให้ผลก่อนเพราะถ้าไม่มีอาสรัรณกรรมถ้าอาจินกรรมไม่ให้ผลกระตัดตาวาปณนกรรมกรรมที่ทาไว้ที่เรียกว่าอปปาราเรียว อภาระปริยัเวทนิยกรรมเนี่ยกรรมที่ชาวนะสองถึงหกเนี่ยในอดีตชาติที่เคยทำรรํำไว้แล้วเนี่ยแม้แต่แสนโกดกับเขาก็เขาก็จะเล่นงานเราเหมือนกันถ้าไม่มีคาุกรรมไม่มีอาสันนกรรมไม่มีอาจินนกรรมในชาตินี้ให้ผลครับเอ๊จัเกเสียวเหมือนกันนะหมาว่าตอนนี้ไปเนี่ยนะพูดอะไรมากๆนะ่ะไอ้สิ่งนั้นเนี่ยนะมันเป็นปัชกีกรรมใช่ไหมครับเชินทานนะหรือว่าทําอะไรมากๆนะนะ ไอ้ประเภทนั้นนั่นแหละจะนำเกิดเป็นกากรรมเป็นไกากรรมใช่ไหมแล้วคิดมากๆนี่ยิงหนักก็ไปใช่ไหมครับคิดก็เป็นมโนกรรมเพราะฉะนั้นอะไรมากๆนั่นแหละจะพาไปเจแต่ถ้ามากทั้งฝ่ายกุศลมันว่าอันนี้ไปดีไปดีไปดีไปก็ไปงั้นไปแอ้วนบางท่านถอนถอนฟันมากมากอ้าวมันแล้วแต่เจตนาเจตนาขนาถอนเป็นยังไงอ่ะและข้อความในลักษณะสูตรเนาะ ทีคณิกายปาติกวัรพูดถึงลักษณะของพระผู้มีพระภาคเจ้าว่ามหาปริศลักษณะที่ว่าเป็นคนที่งามที่สุดเนี่ยก็มาจากกรรมนั่นแหละกรรมที่ทำให้งามขนาดนั้นก็ไม่ใช่กรรมอันเดียวด้วยกรรมแต่ละอย่างมาแต่งผิวมั่งกรรมบางอย่างมาแต่งขนกรรมบางอย่างมาแต่งเส้นผมกรรมบางอย่างมาแต่ง อนั้นุณาโลมขนระหว่างคิ้วกรรมบางอย่างมาแต่งตากรรมบางอย่างมาแต่งคําพูดแต่งเสียงกรรมบางอย่างมาแต่งมือกรรมบางอย่างมาแต่งเท้ากรรมบางอย่างมาแต่งกระเพาะแต่งลำไส้แต่งระบบการขับการย่อยกรรมบางอย่างก็มาแต่งเรื่องแผ่นลิ้นซึ่งเราจะฟังกันต่อไปถูกแต่งมาหมดเนี่ยกรรมเป็นผู้แต่งมานะสรีระยนต์มีจักรสี่ทวารเก้านายช่างคือตันหา กรรมเนี่ยก็ว่าตัญหาเป็นหัวหน้ามีกรรมเป็นบริวารมีกรรมเป็นบริขารของตัญหาอะมันก็แต่งให้มีรูปร่างกายต่างต่างเราก็เคยได้ยินกันบ่อยนะขันห้าเป็นที่ดูบุญและบาปเป็นที่ดูผลบุญผลบาปและดูการทําบุญทำบาปในชีวิตนี้ด้วยนะเป็นตราบุญตราบาปที่ผ่านมาจากชาติที่แล้วด้วยและก็ ัน้าในขณะนี้นี่แหละเป็นสิ่งที่เขากำลังทำอยู่ก็เป็นกรรมใหม่ด้วยเป็นที่ดูบุญดูบาปดูกรรมและดูผลของกรรมนะถามว่าการพิจารณาเรื่องกรรมเป็นวิปัสนาไม้เป็นไหมอ่าใครว่าไม่เป็นยกมือขึ้นอ๋อไร่ ใ, ใครว่าเป็นยกมือขึ้นอ๋อเยอะเลยอาความรู้ในเรื่องกรรมนิสมบูรณ์อยู่ที่ไหนความรู้เรื่องกรรมนสมบูรณ์อยู่ที่ไหนอยู่ที่ ปัจยจะปริคหายานนะสุวิปสกวิปั ส, ส, ป ส, สะกะบุคคลบุคคลผู้เจริญวิปัสนาจะมีความสมบูรณ์ในเรื่องกรรมเมื่อได้ปัจจยะปริคหายานนะก็บอกโอ้ยฉันจะไม่รู้หรอกเรื่องกรรมฉันจะเอาแต่นามรูปอย่างเดียวนามรูปนั้นนามบางอย่างเป็นกรรมนามบางอย่างเป็นผลของกรรมรูปบางอย่างเป็นผลของกรรมแต่รูปไม่มีกรรม มีแต่ผลของกรรมนะรูปมีเจตนาไหมไม่มีเมื่อไม่มีเจตนารูปจึงเป็นผลของกรรมรูปที่เป็นผลของกรรมเฉพาะกรรมมชรูปนะเฉพาะกรรมชรูปเท่านั้นที่เป็นผลของกรรมกรรมชรูปนั้นในร่างกายของเรานีที่ไม่เป็นกรรมชรูปคืออะไรบ้างลมหายใจเข้าออกไม่ใช่กรรมช่รูปนะฟุดฟัดฟุดฟเนี่ยไม่ใช่กรรมชรูปแล้วอะไรอีก อาหารใหม่อาหารเก่านะก็ไม่ใช่กรรมชรูปแล้วเส้นผมที่พ้นหนังศีรษะมาแล้วก็ไม่ใช่กรรมชะรูปผิวหนังที่ตายก็ไม่ใช่กรรมชะรูปเล็บที่ยื่นออกมาพ้นตัดไม่เจ็บก็ไม่ใช่กรรมชะรูปสิ่งเหล่านั้นเป็นอุตุชรูปนั่นแหละน้ําตาก็ไม่ใช่กรรมชรูปน้ําตาเป็นจิตตชรูปเป็นอุตุชรูปนั่นแหละก่อนก่อนที่ ลายเล็บจะจะจะตายนี่นะฮะเซลล์จะเป็นเล็บตัดทิ้งนี่นะเฮะก็หมายความว่าเดิมเข้าเนี่ยต้องเป็นปรรมชรูปกรอนถูกไหมอันอย่างงี้นี่เขาเรียกว่าเป็นอุตูชรูปนะสมมุติว่าเส้นผมที่ออกมานอกนอกนอกผิวหนังละเส้นผมเหล่านี้เป็นอุตูชรูปอุตูชรูปเหล่านี้เป็นหนึ่งเป็นอุตูที่กรรมปัจจะยะอุตูชรูปมาจากกรรมที่แตกต่างกันเส้นผมเลยต่างกันเลย ข อ, อาธรมะมผมยังไม่งอกเลยวนันนี้ขึ้นโกนไปหยกๆนั่นแหละมันแต่ส่วนที่อยู่ข้างในนั้นอ่ะเป็นกรรมมาชลบเทนี้มันจะค่อยๆงอกออกมานะอ่างอกทำไมเส้นผมเราไม่เหมือนคนอื่นเลยอันนี้เรียกว่ากรรมมะปัจจยะอุตุเป็นอุตุที่มาจากกรรมที่แตกต่างกันทีนี้สองจิตตะก่อนที่นั่นนะกรรมะอุตุเนี่นะหมายความว่า อุตุในปัจจุบันชาติหรือว่าอุตุในสมัยทำกรรมครับอะนะอุตุก็คืออุตุที่มีขนาดนี้อเอางี้ก่อนนะในเส้นผมมีกี่รูปมีเท่าไหร่ <40 4. S 1> โอโ้เห็นยกมือเลยยกไม่ครสี่สิบสีแน่นะนับเป็นข้อข้อเอาอ่าสี่สิบสี่รูปนะหนึ่งกายทศกะอ๋ะนะสองภาวะทศกะสามสาม สจิตตะอวินิโพครูปอวินิโพครูปที่มีจิตเป็นสมุทฐานอาหารอาวินิโพครูปและอุตูอวินิโพครูปในเส้นผมนั่นน่ะทีนี้พอไออุตูชรูปในนี้เนี่ยในในรูปทั้งห้ากราบหรือห้ากลุ่มเนี่ยแบ่งแยกแล้วเนี่ยมีอยู่ห้ากลุ่มหกราบในแต่ละกราบมีเตโชธาตอยู่ในนั้นด้วย เ, เตโชธาตที่อยู่ในนั้นเนี่ยสามารถ พอถึงทีติขณะปุ๊บจะทําให้รูปเกิดขึ้นหนึ่งรูปเรียกว่านะถ้ามาจากกรรมก็เป็นกรร ม, มปัจจะยอุตุชรูปนะถ้ามาจากจิตเรียกว่าจิตตปัจจะยอุตุชรูปถ้ามาจากอาหารเรียกว่าอาหารปัจจะยอุตุชรูปถ้ามาจากอุตุเรียกว่าอุตุปัจจะยอุตุชรูปเลอุตุชรูปมีสี่อยา่างทีนี้นี้พูดโดยอุตุนะที่มาจากเตโชทีนี้อาหารยังมีมาอีกนะ ไอโอชามันก็ยังทํารูปอีกอ น, นะที่ในข้อความในสัมมสาสัาญาคำพีวิสุทธิมักกล่าวถึงการแบ่งรูปอย่างนี้ไว้เลยนะเมื่อก่อนเนี่ยเรามาคิดดูมันจะเป็นไปได้ยังไงใครจะมาคิดละเอียดอย่างนี้แต่สังเกตดูถ้าเราโกนผมเนี่ยนะอาศัยเวลาโกนผมเนี่ยทําให้ได้คิดเรื่องนี้เออทาให้คิดเรื่องนี้คําสอนเหล่านี้จะเข้ามาเลยโอ้มันเป็นยลักษณะนี้เองนะมันสามารถที่เราจะตรึกตามได้คําสอนสามารถที่จะ ตึกให้เห็นตามได้เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าอุตุชรูปเหล่านี้ที่ผ่านพ้นมาพ้นหนังศีรษะปั๊บพอโกนดังแค่ๆๆก็เส้นผมมันไม่เจ็บเลยเพราะมันเป็นแค่อุตุชรูปแต่ถ้าเป็นกรรมชรูปที่รากเส้นผมถ้าใครมาถอนปับ๊บจะเจ็บเพราะตรงนั้นมีกายะประสาทะอยู่ด้วยนะในส่วนตรงที่เจ็บเพราะนั้นรูปอันนี้เนี่ยผู้ที่พิจารณาอย่างนี้ อ, อย่างน้อยที่สุดนะถ้ากรรมมาสกตาไม่เกิด ความรู้ในพระพุทธศาสนาไม่มีทางเลยถ้าจะเอาวิชาการทั่วไปนะทางโลกเก่งกว่านะเขาสามารถปลูกผมได้และเขาสามารถปลูกผมใครผมน้อยๆหน่อยเนี่ยปลูกให้มันงามๆได้เาว่าจนสัมผัสไม่รู้เลยว่าปลอมหรือแท้เขาโฆษณาอย่างนั้นแหละเพราะในนั้นเนี่ยเขาสามารถตกแต่งทำได้หมดเลยแต่ทำไมเขาไม่บรรลุเป็นพระรยเจ้าทั้งๆที่รู้ทฤษฎีการเกิริ่เติบโ ต, ตของเส้นผมหมดเลย เพราะเขาไม่มีกรรมสกตานะเพราะไม่มีกรรมสกตาพอไม่มีกรรมสกตาปับ๊บสิ่งเหล่านั้นก็เป็นที่อาศัยของอภิชาและโทมนัตนะอาศัยโอถ้าเรามีความรู้เรื่องนี้นะเราจะได้รับสตังเงี้ยเงี้ยงี้ก็อาศัยวิชาการความรู้เหล่านี้การประกอบเหล่านี้เป็นที่อาศัยเกิดของอภิชาอาภิชาก็หมายความว่าความปรารถนาต่างๆเหล่านี้ พันความรู้ในผู้าศาสนาก็สอนเรื่องตรงนั้นนั่นแหละแต่จะมีความรู้เพิ่มขึ้นมาใหม่คือกรรมสกตาเข้ามาด้วยะเมื่อมีกรรมสกตาอย่างนี้เข้าว่าเส้นผมเนี่ยเหล่านี้ก็มาจากกรรมนะส่วนหนึ่งถ้ามีความรู้อันนี้เสร็จแล้วผมเนี่ยเกี่ยวข้องกับจิตอย่างไรผมเกี่ยวข้องกับจิตไห ม, <ผ>มเกี่ยวข้องกับจิตนั้นในเส้นผมธาตุที่มีตรงที่มีกายภาษาทะตรงนั้นเป็นที่อาศัยเกิดของ กายวิญญาณในส่วนที่มีเป็นกายภาษาทาเป็นที่อาศัยเกิดของกายวิญญาณได้และในเส้นผมยังเป็นอารัมมะปัจจัยของของชาวณจิตจิตที่ไปเกี่ยวข้องกับเส้นผมเนี่ยมีจิตกี่ดวงใช่ไหมถ้าหากว่ากายวิญญาณก็มีเส้นผมเป็นอารมณ์ได้ใช่ไหมมีได้ัหมใช่ไหมร้อนเผาในศรีรษะอย่างเงี้ยมันก็ เส้นผมในนั้นอ่ะที่อยู่ในข้างในนั้นก็สามารถเป็นอารมณะปัจจัยของกายวิญญาณได้สัมปติชนะสัมตีรณะวทพนณะและชาวณะที่เกิดขึ้นรับอารมณ์ในขณะนั้นเวลาถอนยเวลาถอนหรือไม่ถอนเนี่ยขณะนี้ก็มีร้อนเนนไรู้สึกร้อนในติถะเลยมันจะมีถ้าถ้าสังเกตนะถ้าสังเกตมันจะมีทันทีเลยนั่นแหละแต่แล้วในในเส้นผมเนี่ย ทั่วไปเนี่ยสภาพจิตที่เรามีเส้นผมเป็นอารมณ์เนี่ยหรือมีผมเป็นอารมณ์เนี่ยจิตช น, นิดไหนบางที่รู้ผมเป็นอารมณ์คิด <Gor on. S 1> เรื่องผมด้วยจิตชนิดไห น, นบ้างในจิตเหล่านั้นบางคนเนี่ยร่วงกรรมะบดบางคนเนี่ <yat. S 1> เป็นอกุศลถึงกับร่วงกรรมะบทเลยก็มีเช่นอากุศลประเภทโทอาภิชาอย่างนี้กุศลประเภทอภิชาก็เกิดได้กุศลประเภทพยาบาทก็เกิดได้อกุศลประเภท มิจฉาทิฐิก็เกิดขึ้นได้ในโดยที่มีผมเป็นอารมณปัจจัยฟันเจตนาที่เกิดร่วมกับชาวณที่มีผมเป็นอารมณปัจจัยนั้นสามารถนําเกิดได้ไหมก็ไปวิเคราะห์อีกครั้งหนึ่งว่ากรรมอ น, นันเนี่ยมีกําลังขนาดไหนไปเข้าว่าคาุกรรมอจินกรรมอสัญกรรมกะตาตาวาปณกรรมอะไรไปไปเข้าหลักเรื่องกรรมอีกครั้งหนึ่งว่ากรรมที่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องผมนั้นอ่ะจะให้ผลต่อไปข้างหน้าอย่างไรนั่นแหละ การเจริญวิปัสสนาเป็นต้นก็คือการพิจารณาเรื่องของรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณถามว่าเราจะพิจารณาเรื่องรูปนั้นอ่ะพิจารณารูปอะไรใช่ไหมก็ต้องมหาภูต ร, รูปกับอุปาทายรูปมหาภูต ร, รูปนั้นอ่ะคือธาตุเดินธาตุน้ําธาตุลมธาตุไฟ พระผู้มีพระภาคทรงแสดงว่าพระองค์นี้สงเคราะห์อริยสั์ลงในกายยาวาหนาคืบเพราะฉะในกายของเรานี่แหละเน้นถ้าส่วนใหญ่แม้แต่ในคำพีในพระพุทธศาสนานะเคยได้ยินนะเกษาโลมานะขาฐานตาเนี่ยถ้อยคำประเภทนี้มีมากมีหลายแห่งมากแม้แต่ในอภพิธรรมปิดกอย่างพูดไหมในหมวดไหนดูนะสติปัฏฐานวิพังนะ ภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกําจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้พิจารณาเห็นในกายในกายเป็นภายในภายในยังไงคือภายในตัวเราในตัวคือผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอนกระดูกเอาอาการ 3-2 มาขยายเฉยนี่ในสติประฐานวิพังแต่เป็นสุตันดภาชนีก็เอากายภายในกายภาย นอกนะเพราะผมคนเล็บฟันหนังนั่นแหละเพราะฉะนั้นอารมณ์ของการเจริญวิปัสนาหรือการเจริญสติปัญญานก็คือการคิดเรื่องผมนั่นแหละนะการใส่ใจในเรื่องผมเรื่องขอนเรื่องเล็บเรื่องฟันเรื่องหนังเรื่องเนื้อแต่ว่าอันนี้ในชั้นรายละเอียดแบบลึกซึ้งหน่อยแต่ถ้าชั้นธรมธรมดาธรรมนาเออทาไมผมคุณสวยจังผมนี่มาจากกรรมอะไรอันนี้นะก็เรียนเรื่องกรรมแบบธรมธรมดาธรรมดาบอก เรียกว่าเรื่องกรรมนั้นแล้วแต่ว่าจะพูดในชั้นรายละเอียดลึกขนาดไหนก็ได้เอาลึกแบบระดับวิปัสสนาก็ได้คือลึกระดับมาขยายว่าในผมมีรูปกี่รูปในสมุทฐานสี่และแต่ละปัจจัยเนี่ยจิตเป็นปัจจัยแก่เส้นผมได้กี่ดวงถ้าจิตเป็นอ่าปัจจัยแก่เส้นผมคนคิดมากผมร่วงได้ไหมได้คิดมากกับผมร่วงได้จิตนี้จึงเป็นปัจจัยแก่จิตตชรูปที่อยู่ในเส้นผมมีอิทธิพลด้วยนะ กรรมบางอย่างก็เป็นปัจจัยให้รูปในเส้นผมด้วยท่านพวกนี้ต้องวิจัยทั้งหมดเลยนะถ้าเราวิจัยไม่ได้หรือไม่รู้โอ้จะเก็บอภิชาไว้ทิ้งไว้ที่ไหนนั่นแหละเพราะถ้าไม่รู้สิ่งนี้สิ่งนี้เป็นสัจจะไหมเป็นสัจจะข้อไหนเส้นผมเป็นทุกขสัจปัจจัยที่ทําให้เกิดเส้นผมปวดเป็นสมุทยัยสัจถ้าไม่รู้สัจจะเหล่านี้เป็นอะไรโมหะนั่นแหละ โมหะแต่โมหะเป็นกิเลสที่ว่าโง่และยังไม่ทันรู้ตัวเลยอ่ะเป็นกิเลสที่เกิดแล้วไม่ค่อยรู้ตัวเลยก็คืออวิชชานั่นแหละท่านอวิชชานี้จึงเป็นจักเป็นปุพพานะจักเป็นจักที่ทําให้ชีวิตของสัตว์ทั้งหลายเป็นไปอย่างนี้ไม่จบไม่สิ้นนั่นแหละไม่ต้องถามหาที่จบนะถ้าวิชาไม่เกิดนะถ้าวิชาไม่เกิดยังไม่ถึงความเป็นอริยสัตว์ของสิ่งเหล่านี้ าถามว่าการกล่าวแบบนี้มีที่มาไหมมีในปฏิสัมพิธามักเนี่ยจะ ก, กล่าวถึงเคยได้ยิ น, นะเกษานะในหัวข้อ ป, ปรยานเนี่ยเกษาเเกษาสมุไทยเกษานิโรธเเกษานิโรธาคามีนีปฏิปทาเคยได้ยินนะวันนี้อ่านประวัติของท่านพระสังกิจจสัมมณีพระสังกิจจสั ม, มนเณี น, นั้นท่านออกบวชนะท่านมีศรัทธาคือท่านนั้น เวลาท่านเกิดมาคันแก่ๆหน่อยเนี่ยแม่ก็ตายก็ ค, คือใกล้จะคลอดและแม่ตายเลยทีนี้ตายสมัยโบราณก็เอาไปเผาเอาไปเผาก็ทำเชิงตะกรน่อย่างดีเลยทาเชิงตะกรแล้วก็จุดไฟเผาทิ้งไว้ทั้งคืนแต่แล้วไฟไม่ทีนี้เช้ามาเนี่ยเด็กอยู่ในนั้นทีนี้ไอ้ศัพเปอรดเนี่ยที่แทงศพอะแทงไปถูกหางตาพอดีเลยแทงไปถูกหางตา ที่นี้หมอพวกพราหม์ทั้งหลายเขาก็ทํานายว่าเด็กคนนี้ถ้าออกบวชจะมีที่สุ500เป็นบริวารแต่ถ้าหากว่าไม่บวชชิบหาย7ชั่วตระกูลนะ7ชั่วตระกูลในชิบหายนั่นแหละตอนหลังที่นี้ก็ฟังก็ไต่ถามอายุประมาณ7ขวบก็ไต่ถามประวัติของตัวเองเนี่ยอย่างไรอย่างไรอย่างไรก็เล่าให้ฟังว่าไม่ตายนะขนาดเผาศพและตัวเองเนี่ยอยู่ในท้องก็ไม่ตายแต่ว่านี้เรียกว่าอยู่ด้วยบุญยริศ นะบุญหรือว่าเป็นความพิเศษของบุคคลผู้เกิดในชาติสุดท้ายว่าไม่มีใครฆ่าตายนะถ้าเป็นชาติสุดท้ายจะต้องเป็นพระอารหันต์ซะก่อนจึงจะจึงจะตายถ้ายังไม่เป็นพระอารหรันต์ฆ่ายังไงก็ไม่ตายมันเด็กขนาดอยู่ในท้องเขาเผาศพนะในเชิงตะกร ก, รก็ไม่ตายแต่ว่าปลายพวก ไ, ไม้ที่เขาทิ่มศพคือในการเผาศพนั้นจะต้องมาทิ่มมาแทงถ้าไม่ทิ่มไม่แทงปั๊บมันก็เผายากอะ นั่นแหละทีนี้ท่านก็สังเวทใจแล้วก็ออกบวชออกบวชนี้เป็นลูกศิษย์ของภาษาลิบุตรนะเขาสอนกรรมฐานให้เตสาโลมานะัขาทันตาโกนเครดเป็นพระอารหันเลยนะเขาบอกว่าขณะที่มีโกนจรดศีสะ ก, ก็บรรลุเป็นพระอารหรอันโอยทำไมท่านมีบุญขนาดนั้นกันนะนั่นแหละเพราะการพิจาจรณาเส้นผมนั้นเป็นกรรมฐานที่ ในพระวินัยเนี่ยกล่าวไว้เลยว่าภิกษุหรือสามเณรทุกรูปที่บวชต้องให้กรรมฐานอันนี้ทุกคนต้องผ่านกรรมฐานนี้เรียกว่าตะจัปันปัญจกะกรรมฐานเป็นกรรมฐานที่สําคัญที่สุดสําหรับภิกษุทุกรูปที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาทุกคนต้องได้รับกรรมฐานนี้เหล่านี้หมดแล้วแต่จะได้รับคำอธิบายหรือไม่อีกเรื่องหนึง่งแต่ทุกคนจะได้ยินเกศาโลมานะคะธรรมตาตะโจมาเหมือนกันหมดเย็นทร์อันนี้ก็โทษของวัตตะแล้ว